อีกอย่างหนึ่งความรำคาญอันเป็นความเดือดร้อนแห่งจิตเป็นความขัดใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้รักษาศีลเลย เราไม่ได้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเราไม่รู้จักประมาณในโภชนะเราไม่ได้ประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตือนเราไม่ได้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเราไม่ได้เจริญสติสัมปชัญญะเราไม่ได้เจริญสติประธาน4ี่เราไม่ได้เจริญสัมมาประธาน4ี่เราไม่ได้เจริญอิทธิบาท4ีเราไม่ได้เจริญอินทรีย์าเราไม่ได้เจริญพละหเราไม่ได้เจริญโพชฌงเจ็เราไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองแปด เราไม่ได้กําหนดรู้ทุกเราไม่ได้ละสมุทยัยเราไม่ได้เจริญมรรคเราไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธนี่ยนะพวกนี้ก็เดือดร้อนใจเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะว่าเจริญกุศลธรรมคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานไม่บริบูรณ์ยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรือผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยมากก็เดือดร้อนใจเนี่ยนะที่พระองค์เตือนเสมอว่าอย่าเดือดร้อนใจในภายหลังนะจะต้องรีบภาคเพียนเนี่ยนะ ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญายังมีกําลังตอนที่พระาศาสนายังเจริญยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยนะยังไม่มีภัยอาเพศในบ้านเมืองเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสมัยที่ดีอย่างยิ่งที่จะเจริญศีลอินทรีย์สังวรโพชเนมตนัตัญญาชาคริยานุโยคสติสัมปัญญาโพธิปัขจะธรรมทำกิจในอริยสัจกําหนด ร, รู้ทุกขละสมุทัยเจริญอริยมรรคทาพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นอัญญานวีโมก คือนิพานนั่นแหละเป็นเครื่องกั้นความรำคาญเป็นเครื่องปิดคือเป็นเครื่องกั้นเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงับความรำคาญทั้งหลายเป็นอมตะนิพานเพราะฉะนั้นเราขอบอกอัญญาณวิโมกอัญญาวิโมกตัวนี้น่าจะหมายเราขอบอกพระนิพานนะนะอันเป็นเครื่องละการมชันทะและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบันเทาความง่วงเป็นเครื่องกั้นความรำคาญ เราขอบอกอัญญาณวิโมกขอบอกอัญญาวิโมกอันมีอุเบขาและสติหมดจดดีมีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้าเป็นเครื่องทำลายอวิชชาก็คือความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยความเพิกเฉยความสงบแห่งจิตความที่จิตเลื่อมใสความที่จิตเป็นกลางด้วยจตุทชาชื่อว่าอุเบขา อุเบกขาในที่นี้หมายถึงอุเบกขาในฌาน4ี่นะไม่ใช่เฉยเฉยโมหะไม่ใช่แต่เฉยด้วยฌาน4 ส, ส่วนสติก็คือความระลึกความตามระลึกความระลึกชอบเพราะปรารภถึงอุเบกขาในจตุทัชฌานชื่อว่าสติก็ต้องสตินัน่นสติที่ระลึกถึงอุเบกฌาน4นั่นแหละพันสอุเบกขาและสติหมดจดคืออุเบกขาและสติในจตุทัชฌานเนี่ยเป็นความหมดจด บริสุทธิ์มากหมดจดดีคขาารอบไม่มีกิเลสเครื่องยืุยุ่วยวนปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นถึงความไม่หวันว่นไหวอัญญาณวิโมกมีอุเบขามีสติหมดจดดีเนี่ยมีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้านะธรรมะตักกะปุเรชวังเนี่ยนะคือความดําริชอบสัมมาสังกปปะตรัสเรียกว่าความตรึกประกอบด้วยธรรม มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยนำหน้าเพราั้นเธความตรึกประกอบด้วยธรรมนั้นมีในเบื้องหน้ามีข้างหน้าเป็นประธานแห่งอัญญาวิโมกขแม้ด้วยเหตุดั ง, งนี้ดังนี้จึงเชื่อว่ามีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้านะถ้าจะบรรลุอรหัตตพนก็ต้องสัมมาสังกัปปะนำหน้าก่อนนะถ้าไม่มีสัมมาสังกัปปะมาก่อนบรรลุได้ยังไงอรหัตเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิตรัสว่าความตรึกประกอบด้วยธรรมสัมมาทิฏฐินั้นมีในเบื้องหน้ามีข้างหน้าเป็นประธานแห่งอัญญาวิโมกด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่ามีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้านะต้องปัญญาสัมมาทิฏฐินำหน้านะอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาในการเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคสตรัสว่าความตรึกประกอบด้วยธรรม วิปัสสนานั้นมีในเบื้องต้นมีข้างหน้าเป็นประธานแห่งัญญาวิโมกแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่ามีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้าคําว่าความตรึกประกอบด้วยธรรมเนี่ยนะมีสามในในแรกหมายถึงสัมมาสังกปะที่นําหน้าในที่สองสัมมาทิฐินําหน้าในที่สวิปัสสนาก่อนอริยมรรสีนําหน้า อัญญาวิโมกเนี่ยนะเป็นชื่อของอรหัตตวิโมกเพราะฉะนั้นเราขอบอกอัญญาวิโมกคือขอบอกอรหัตเนี่ยนะส่วนอวิชาวิชาก็คือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนะอวิชาความไม่รู้ความหลง อวิชาที่เป็นเหมือนลิมสลักความหลงอกุศลมูลนี้ชื่อว่าวิชาอัญญาวิโมกคืออรหัตตวิโมกนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายวิอวิชาคือถ้าเครื่องทําลายวิชาเนี่ยนะต้องวิโมกอันนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละความว่าเป็นเครื่องทุบเครื่องต่อยเครื่องทําลายเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องรงะงับซึ่งอวิชาเป็นอมะตะนิพานนะถ้าจะละความโง่ความหลงความงมงายได้จริงๆก็เมื่อบรรลุนิพาน อันสรุปว่าเราขอบอกอัญญาวิโมกคือ อ, อรหัตตวิโมกอันมีอุเบขามีสติคืออุเบขาในฌานสี่สติในฌานสีที่หมดจดดีมีความตรึกคือสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิวิปัสสนานาหน้าเนี่ยนะที่เรียกว่าความตรึกประกอบด้วยทำเล่นไปข้างหน้านะอันนี้ผ่านนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาทีนี้อุทยมานพ อุทยมานบนี่ก็ถามต่อไปว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกพระองค์ตรัสนิพานเพราะละอะไรเสียได้ ında. โลกเนี่ยนะคือเราเนี่ยอะไรเป็นตัวประกอบไว้ถ้ารถก็มีน็อตขันไว้เนี่ยนะของเราอะไรมาขันเอาไว้ไงอะไรเล่าเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกโลกเที่ยวไปได้ยังไงชีวิตเรามันเที่ยวไปได้ยังไงนิพานเนี่ยละอะไรได้ คำว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้ความว่าเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องคล้องไว้เครื่องผูกเครื่องพัวพันเครื่องมัวมองของโลกก็คือโลกอันอะไรประกอบไว้ประกอบทั่วเนี่ยวรั้งยึดไว้คล้องไว้เกี่ยวไว้พัวพันไว้อะไรเล่าเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกคืออะไรเป็นเครื่องสัญจรเที่ยวไปท่องเที่ยวไปของโลกนั่นนะโลกย่อมสัญจรเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องท่องเที่ยวไปของโลก พระองค์ตรัสว่านิพพานนิพพานเนี่ยเพราะละอะไรเสียได้ความว่าพระองค์ย่อมตรัสย่อมบอกย่อมเล่าย่อมกล่าวสแสดงบัญญัติว่านิพพานนิพพานเนี่ยเพราะละสงบสละคืนระ ง, งับอะไรเสียได้นิพพานสละอะไรได้บ้างคําถามแรกก็คือโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้สองบอกว่าอะไรเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกสามนิพพานเนี่ยเพราะอัตถาว่าละอะไรเสียได้ พรผู้มีประภาก็ตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้เพลินเนี่ยนะคือไม่ยอมไปไหนสักทีอ่ะนะแบกติดข้องอยู่เนี่ยก็เพลินนัะนะ่นแหละเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าทําไมดูหนังได้ทั้งอะไรเนี่ยประกอบให้ติดอยู่กับทีวีอยู่กับทีวีได้ทั้งวันอ่ะนะความเพลินนัะนะ่นแหละประกอบให้อยู่กับทีวีได้ทั้งวันเป็นต้นเนี่ย น, นะทำอะไรชมสวนได้ทั้งวันเนี่ยก็เพลินนั่นแหละทำให้ชมสวนอยู่ได้ทั้งวันอย่างนั้น วิตกเนี่ยเป็นเครเ humanity, life, life, ื่องเที่ยวไปของโลกนั้นก็ตื๊บคิดไปเรื่อยใช่ไหมเรากล่าวว่านิพานเพราะละตันหาเสียได้ที่นิพานนิพานเพราะสิ้นตันหาเพราะละตันหาคําว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นชื่อของตันหาราคาสราคาอภิชาโลภาอกุศลมุ่งเรียกว่าความเพลิดเพลินคําว่าโลกเนี่ยมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องคล้องเครื่องผูกเครื่องมัวมองของโลก โลกอันความเพลินนี้ประกอบไว้ประกอบทั่วเนี่ยวรัง้งผูกไว้คล้องไว้พันเอาไว้นะตันหาเนี่ยมันเพลอมันคล้องเอาไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็วิตกเนี่ยเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกวิตกมีเก้านะหนกามวิตก2พยาบาทวิตกสามวิหิงสาวิตกเรื่องที่เราคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคิดจะเอามั่งใช่ไหมคิดโกรธไอ้คนที่ไม่ให้วังคิดเบียดเบียนบ้างอะนะก็ก็คิดอยู่เท่านี้แหละ บางทีก็คิดถึงญาติบ้างคิดถึงชนบทบ้างคิดถึงเทวดาบ้างบางทีก็วิตกปฏิสังยุต ด, ด้วยความเอ็นดูผู้อื่นอั น, นี้ถ้าพระนะเห็นชาวบ้านอุปทาเขาเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปกับเขาเห็นก็สุขก็สุขไปกับเขาพวกนี้แหละหรือวิตกปฏิสังยุตคิดถึงเรื่องลาบสการะและความสรรเสริญโอ้อยากได้ปัจจัยสี่อยากให้คนยกย่องนับถือเคารพกราบาไหว้เนี่ยนะหรือวิตกปฏิสังยุตไม่อยากให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน ทำยังไงคนอื่นจะไม่ดูถูกดูแคลนอ่ะคิดอยู่แค่นั้นนะมีช่องไหนจะให้คนอื่นก็ดูมิ่นกัดตัดตัดตัดเอาไว้อย่าให้เขาดูมิ่นเราอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าอากุศลวิตตกวิตกเก้าอย่างนี่เป็นเครื่องสัญจรไปเที่ยวไปท่องเ ท, ท, ที่ยวไปข อ, องโลกน ะ, นะวิตกเนี่เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกปกติคนนี่ยมันคิดอยู่เก้าเรื่องนี่แหละมันตรึกไปเรื่อยนะ ในกาลวิตกก็พยาบาทวิตกใหม่พยาบาทวิตกกวิหิงสาวิตกไม่งั้นเดี๋ยวก็คิดถึงญาติมั่งคิดถึงชนบทนะคิดถึงตรงโน้นคิดถึงตรงนี้คิดไปทั่วคิดถึงเทวดามั่งคิดถึงความไม่ตาเนี่ยนะหรือว่าคิดไปเดือดร้อนกับคนโน้นทีไปดีใจกับคนโน้นทีไปเดือดร้อนกับคนนั้นทีอย่างเงี้ยนะคิดถึงหลับสการะสรนเริญไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยนี่แหละเป็นเครื่องคิดคิดไปอยู่คิดอยู่เท่านี้บางคนนะทำมาหากินส่วนหนึ่งก็เพราะไม่อยากให้ใครมาดูหมินนั่นเอง ที่แต่รื่อนี้นรักษาไอตรงนี้เอาไว้อันวิตกเนี่ยเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกจริงๆเรียกว่านิพานเนี่ยเพราะละตันหาเสียได้ตันหาก็คือตันหาในรูปเรียกว่ารูปประตันหาตันหาในเสียงเรียกว่าสัทธตันหาในกลิ่นก็คันธาตันหารสตาตันหาโพธาตันหาและธรรมะตันหาเรากล่าวนิพานเพราะละตันหาเสียได้ความว่าเราย่อมกล่าวย่อมบอกย่อมเล่าขานแสดงบัญญัติว่า เพราะละสงบสละคืนระ ง, งับตันหาเสียได้เพราะฉะนั้นนิพพานเพราะละตันหาเสียได้ถ้าผู้ที่บรรลุนิพพานจริงๆต้องละตันหาได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าโลกมีความเพลิดเพลินคือตันหาเป็นเครื่องประกอบเอาไว้วิตกเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกเรากล่าวนิพพานว่าเพราะละตันหาเสียได้นิพพานเพราะละตันหาทีนี้อุทยมาณโนภะถามว่า เมื่อโลกมีสติเที่ยวไปอย่างไรวิญญาณจึงดับแปลว่าปฏิบัติยังไงจึงจะดับวิญญาณได้จริงๆพวกข้าพระองค์มาแล้วก็เพื่อจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มาเพื่อจะเพื่อว่าปฏิบัติในสติเนี่ยสติเจริญสติยังไงจึงจะดับวิญญาณได้อย่างแท้จริงมันพวกข้าพระองค์จะขอฟังพระดํารันนั้นของพระองค์ให้ปฏิบัติยังไงนะจะดับปฏิสนธิวิญญาณได้คุณผู้ชมจะไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะทำยังไงจะเลิกเกิดละ คำว่ามีสติเที่ยวไปอย่างไรความว่าเมื่อโลกมีสติสัมปชัญญะอย่างไรเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพระฉะนั้นกเรียกว่าโลกมีสติอย่างไรโลกก็คือเรานั่นแหละมีสติเที่ยวไปยังไงเจริญสติยังไงคาว่าวิญญาณจึงจะดับ น, นะบอกว่าถ้าเจริญสติอย่างนั้นต้องดับวิญญาณได้นะมีเงื่อนไขนะ้พูดอีกในหนึ่งก็บอกว่า เดินทางยังไงจะให้ถึงกรุงเทพภายในวันนี้อย่างงี้ยนะภายในเที่ยงเที่ยงนี่แหละจะต้องถึงกรุงเทพอย่างงี้ยนะลักษณะเนี้ยคำถามแบบเนี้ยไอ้แค่เดินทางก็ก็ก็ชัดแหละแต่ทีนี้เอาเป้าหมายบ่าต้องถึงตรงนั้นด้วยนะพงัคําว่าวิญญาณจึงจะดับความว่าวิญญาณดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับแสดว่าท่านเบื่อนหน่ายในความคิดเนี่ยนะเออปฏิบัติยังไงนะจึงจะเลิกหมดจะได้หมดความคิดสักทีหนึง่งจบสักทีหนึง่งไอ้ความคิดเนี่ยนะ ไม่ใช่กินยานอนหลับนะแต่ว่ามันดอบจริงๆอะ่ะคำว่าพวกข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าความว่าพวกข้าพระองค์มาแล้วคือมาถึงเข้ามาถึงถึงพร้อมมาประชุมกับพระองค์เพื่อจะทูลถามเพื่อจะสอบถามทูลขอเชื้อเชิญซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วคือขอให้ทรงประสาทนะขอให้ทรงบอกทรงแนะนาด้วยคาว่า พวกข้าพระองค์จะขอฟังพระดำรัสนั้นของพระองค์ความว่าพวกข้าพระองค์จะขอฟังศึกษาทรงจำเข้าไปกำหนดพระดำรัสถ้อยคำทางถ้อยคำเทศนานุสนที่ของพระองค์เพราะนั้นสรุปคำถามว่าโลกมีสติอย่างไรเที่ยวไปวิญญาณจึงดับนะปฏิบัติมักยางไงจึงดับทุกดับทุกได้เพราะนั้นคาถามนะสรุปว่าปฏิบัติตามมักยางไง จึงจะดับวัตถทุกได้พันพวกข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์จะขอฟังพระดํารันนั้นของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าเมื่อโลกไม่เพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก เ, อนะเงินขายข้อปฏิบัติต้องไม่เพลินในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยนะเป็นผู้มีสติอย่างนี้เที่ยวไปวิ ญ, ญญาณจึงดับอ่นะ ก็บไม่เพลิดเพลินในเวทนาที่เราไปก็บอกให้เจริญเวทนานุปัสสนานะแต่เจริญทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วจะดับได้คือเมื่อโลกไม่เพลินในเวทนาภายในและภายนอกความว่าเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู่ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจในเวทนา คือย่อมละย่อมบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ําถึงความติดใจความถือไว้ความจับต้องความถือมั่นนะให้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเวทนาในเวทนาภายในก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะสุขเวทนามีอะมิตรไหมมีอะมิตรทุกขเวทนามีอะมิตรไหมมีอมิตรอุเบขาเวทนามีอมิตรไม่มีอมิตรในภายในเนี่ย เรนน า, าพิจรารณาเวทนา9้านในภายในอย่างนี้เมื่อพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาคือพิจรารณาเห็นเวทนาเก้าที่กล่าวไปเนะี่ยในภายนอกนะคือสุขทุกขอุเบขาเวทนาสุขมีอมิตรไม่มีอามิตทุกมีอมิตไม่มีอมิตรอุเบขามีอมิตรไม่มีอมิตรเนี่ยนะพิจรารณาในภายนอกแล้วก็เมื่อโลกพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ ต้องเอาทั้ง2นะไม่ใช่เอาแต่ภายในอย่างเดียวหรือภายนอกอย่างเดียวเอาทั้งภายในทั้งภายนอกสรุปว่าให้พิจารณาเวจรเวทนาเก้านะพิจารณาเวทนา9 เ, เป็นภายในหนนะสเวทนา9ที่กล่าวไปเนี่ยในภายนอก3ก็ทั้งภายในทั้งภายนอกเสร็จแล้วพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่นะว่าเวทนาในภายในทั้ง9เนี่ยเกิดได้อย่างไร เมื่อพิจารณาเห็นความธรรมะคือความเสื่อมในเวทนาภายในอยู่เพราะว่าถ้ามันเกิดมันเกิดได้ยังไงถ้ามันจะเสื่อมหรือจะดับเวทนาเนี่ยดับย่อยได้ยังไงเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายอยู่นะทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมเลยนะเมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่เมื่อโลกพิจารณาเห็นความเสื่อมในเวทนาทั้งหลาย ในภายนอกอยู่เมื่อพี่จาจรณาเห็นความเสื่อมความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อโลกพี่าจรณาเห็นความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายภายในและภายนอกอยู่เมื่อโลกพี่าจรณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อโลกพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทนาคือย่อมละย่อมบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความซึ่งความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินในภายหลังนี่นะเรียกว่าตัดความเพลิดเพลินความพร่ำถึงความติดใจความยึดถือความจับต้องความถือมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยอาการ12อย่างนี้ โลกจึงจะไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทน า, านะคือย่อมละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีนะถึงความพร่ำถึงความติดใจความถือไว้ความยึดมั่นนะเรียกว่าสลัดความติดใจในเวทนาได้ทั้งหมดท่านยกมาเวทนา12บนะข้อแรกก็พบเวทนาภายใน2ภายนอก3ทั้งภายในและภายนอก4ความเกิดของเวทนาในภายใน5 ความเสื่อมในเวทนาภายในหกก็ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมในเวทนาภายในเจ็ดก็ความเกิดขึ้นในเวทนาภายนอกแปดความเสื่อมในเวทนาภายนอกเก้าทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของภายนอกก็สิบเอ็ดก็ความเสื่อมทั้งภายในทั้งภายนอกสิบสองก็ทั้งข้อสิบเอ็ดนะความข้อสิบสินะบเห็นความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกสิบเอ็ด ความเสื่อมไปของเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอก12ก็ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้ในเวทนาจริงๆทั้งเวทนาภายในเนี่ยนะเป็นยังไงรู้หมดเวทนาภายนอกเป็นยังไงรู้หมดทั้งภายในทั้งภายนอกรู้หมดนะรู้ทั้งความเกิดรู้ทั้งความเสื่อมรู้ทั้งความเกิดทั้งขึ้นทั้งความเสื่อมไป ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยอนุปัสนา7ในเวทนาดังกล่าวไปเนี่ยก็จะละความเพลิดเพลินในเวทนาเหล่านั้นได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็ย่อมไม่เพลิดเพลินเนี่ยนะเมื่อโลกพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังลูกซ้อนเป็นดังหัวฟีเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะการพิจารณาดังนี้ในเวทนาทั้งหมดเนี่ยนะก็จะไม่เพลิดเพลิน คือเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายโดยอาการ42นี้อยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจในเวทนาคือย่อมละย่อมบันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ำถึงความติดใจความถือไว้ความจับต้องความถือมั่นเพราะฉะนั้นเรียกว่าโลกไม่เพลิดเพลินในเวทนาทั้งภายในและภายนอก คือตามเห็นเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลำบากเนี่ยนะเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชํารุดเสนียดอุบาทไม่สําราญเป็นภัยอุปสรรควันไว้ผุพองไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร้นไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่เป็นแก่นสาร <Stars> เป็นมูลแห่งทุกเป็นผู้ฆ่าปราศจากความเจริญมีอาสะวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมารเป็นของที่มีชาติชรามรณาโซกะปริเทวทุกขถโทมนัสและอุปาญาต <ders> เป็นของที่เศ้าหมองเป็นธรรมดาเป็นของพิจารณาโดยความเกิดความดับความไม่มีอสสาทะเนี่ยนะ มีแต่อาทีนวะตัวเวทนาเองไม่ใช่นิสรณะเนะนี่ยนะอันท่าผู้ที่พิจารณาดังกล่าวไปก็สามารถที่จะตัดความเพลิดเพลินในเวทนาได้ัคําว่าเป็นผู้มีสติเที่ยวไปอย่างนี้คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะมีสติเจริญวิปัสนาดังกล่าวไปเรียกว่าเจริญเวทนานุปัสนาดังกล่าวเนี่ยนะคือเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเที่ยวไปอย่างนี้ ถ้าเจริญเวทนานุปัสนาได้อย่างดังกล่าวไปเนี่ยนะวิญญาณจึงดับความว่าวิญญาณอันสหรคตด้วยปุญญาพิสังขารปุญญาภิสังขารอาเนินชาพิสังขารจะดับย่อมดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ น, น, นะถ้าปฏิบัติเวทนานุปัสนาดังกล่าวไป น, นะปฏิบัติไปอย่างนั้นเนี่ยนะกรร ม, มวิญญาณจะดับถ้ากรร ม, มวิญญาณดับ ชาติก็ดับถ้าชาติดับวัตุทุกทั้งมวลก็ดับนะนะจะเจริญเวทนานุปัสนาดังกล่าวได้อย่างแท้จริงพันสรุปว่าเมื่อโลกไม่เพลิดเพลินในเวทนาในภายในและภายนอกเป็นผู้มีสติเที่ยวไปอย่างนี้วิญญาณจึงดับเวลาจบธรรมเทศนา เ, เทวดาและมนุษย์ที่สังสมบุญมากับอุทยมานพกบรรลุมรคผลอุทยมานพกสิทธิ์ของท่านเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต